บทที่46เทพทองหยดวันรุ่งขึ้นสมพานวัดป่ามะม่วงเดินทางเข้ากรุงเทพพร้อมพระลูกวัดอีกแปดรูปเพื่อไปเจริญพระพุทธมนตในงานทําบุญวันคล้ายวันเกิดของโยมสุนีซึ่งได้นิมนต์ท่านไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนที่แล้ว บ้านโยมสุนีอยู่เลยสนามบินดอนเมืองไปทางทิศตะวันออกนายสมชายขับรถไปตามแผนที่ที่สามีโยมสุนีเขียนไว้ให้และไปถึงก่อนเวลาจเจริญพระพุทธมนตประมาณสาสิบนาทีนิมนต์หลวงพ่อค่ะนิมนต์ข้างในเลยโยมสุนีออกมาต้อนรับและนิมนต์ท่านพร้อมกับภิกษุอีก8ปดรูปเข้าไปในบ้าน แม้เจ้สวยจังยังกะสาวๆอายุยี่สิบต้นๆนายสมชายออกปากชมโยมสุนีซึ่งอยู่ในชุดไหมไทยสีฟ้าอ่อนถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อได้รับคำชมวันนี้กี่ขวบแล้วล่ะท่านพระครูเย้าบ้างนึกเห็นภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ซุกซนเสยยิ่งกว่าเด็กผู้ชายตัวโตโต หลวงพ่ออายุเท่าไรละ่ะทำไมต้องย้อนถามอาตมาด้วยพระหนูเคยบอกว่าถ้าหลวงพ่ออายุเท่าไรก็เอาสิบลบที่เหลือเป็นอายุของหนูท่านพระครูคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าอ้าวนี่จะห้าสิบแล้วหรือเวลาผ่านไปรวดเร็วเลอะเกินนะ อาตมายังนึกถึงภาพเด็กผู้หญิงจอมแก่นที่ปีนขึ้นไปบนยอดไม้เพื่อสุ่มดูเครื่องบินญี่ปุ่นมาทิ้งระเบิดแก่นจริงๆนโยมนะหนูก็เห็นหลวงพ่อนอนให้เตี่ยกับแม่หนูป้อนยาเมื่อไม่นานมานี้เองเหมือนกันนิมนต์เข้าไปในบ้านเถอคะค่ะเดี๋ยวจะได้คุยต่อท่านพระครูจึงเดินนำพระลูกวัดเข้าไปในบ้าน นั่งบนอัศนะเรียบร้อยแล้วโยมสุนีจึงพาลูกชายและญาติมิตรมากราบท่านเจ้ใหญ่ก็ามาร่วมงานทําบุญวันคล้ายวันเกิดของน้องสาวด้วยโยมเจ้ใหญ่สบายดีหรือท่านทักทายพี่สาวคนโตของโยมสุนีและน้องๆที่พากันเรียกเจ้ใหญ่สตรีวัยหกสิบเศษผู้นี้เคยหุงข้าวให้ท่านกินสมัยเมื่อท่านไปนอนป่วย อยู่ในกระท่อมของหมอจีนผู้ใจบุญที่ช่วยชีวิตท่านไว้ในมันแท่ตั้งเป็นชื่อของหมอจีนคนนั้นคนที่ท่านระลึกตึกถึงบุญคุณของเขาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่สบายดีจ้าหลวงพ่อคงงานยุ่งมากสินะได้ข่าวว่าคนพากันไปเข้ากรรมฐานที่วัดมะม่วงกันมากเลิศเกิน ฉันซีอีกที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักครั้งไปเมื่อไรล่ะโยมอัตมาจะได้มีโอกาสทดแทนบญคุณโยมบ้างอัตมาไม่ลืมหรอกนะที่โยมเคยหุงข้าวให้อัตมากินเมื่อหลายสิบปีก่อนโน้นนี่โยมสาโรตไปไหนซะล่ะท่านถามถึงสามีของโยมสุนีเดี๋ยวคงลงมาค่ะลูกกลุ่มใจกับเขาจัง ไม่รู้จะทำยังไงไปกรุ่มใจกับเขาทำไมล่ะรู้ว่ากลัวเขาจะไปมีอื่นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะโยมจะได้แมาช่วยกันทำมาหากินภิกษุวัยใกล้หกสิบพูดยิ้มยิ้มอย่างเฮียน่าลิศจะไปมีคนอื่นหนูเห็นเขาทำงานงกงกทั้งวันทั้งคืนจะมีเวลาที่ไหนไปมีคนอื่น แต่ถึงจะมีหนูก็ไม่สนใจหรอกค่ะหลวงพ่อแต่ที่หนูกรุ่มใจก็คือเฮียเขาไม่ศรัทธาพระพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือเฮียเขาเกลียดพระไม่นับถือพระสงฆ์องค์เจ้าหนูเลยกรุ้มใจกลัวเขาจะตกนรกไม่ตกหลอกโยมอาตมาไม่ตำหนิโยมสาโลดเพราะอาตมาเองก็เคยเกลียดพระมา ก, ก่อน แต่อย่าลืมนะว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมเกลียดสิ่งไหนเจอสิ่งนั้นอาตมาเกลียดพระก็เลยต้องมาเป็นพระแปลว่าอีกหน่อยเฮียเขาจะต้องบวชพระเหรอคะสตรีวัยใกล้สี่รอบถามหากสามีไปบวชเธอจะดีใจมากแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องบวชที่วัดป่ามะม่วงเพราะถ้าไปบวชที่วัดอื่นอาจจะเกลียดพระหนักขึ้นกว่าเดิมก็ได้ ไม่ต้องถึงกับบวชหรอกโยมอาตมาจะทําให้เขาหายเกลียดพระโดยไม่ต้องบวชเอาละ่ะเอาไว้เป็นหน้าที่ของอาตมาที่จะเปลี่ยนเขาลําพังโยมเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกพวกบ้านของโยมเขามีภูมิหลังคล้ายๆกับอาตมาคือเคยพบแต่พระไม่ดีแต่พูดก็พูดเถอะพระดีๆปัจจุบันก็หายากเลอกเกิน อาตมากราพูดได้เลยว่าคนที่มาบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญพระกรรมฐานรับรองว่าเอาดีไม่ได้ในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าเขาจะไม่นิยมปฏิบัติธรรมกันแล้วแต่จะแข่งขันกันสะสมเงินทองแข่งขันกันด้วยรถเบนซ์แล้วก็อยากได้สมณะศักด์อยากเป็นใหญ่เป็นโต แข่งกับคฤาเรือหัดบางก็ถึงกับหลอกลวงโลกหวังเอาลาบแต่ก่อนมีแต่คฤาเรือหัดเท่านั้นที่คอรับชั่นแต่เดี๋ยวนี้มีพระขอรับชั่นแล้วแล้วก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นจนหน้าใจหายญาติโยมที่ไม่เข้าใจก็จะพากันเลิกนับถือพระเลิกทําบุญทําทานพระไม่ศรัทธาพระศาสนาอีกต่อไป สามีโยมสุนีลงมาจากชั้นบนรงเข้ามากราบท่านพระครูอย่างไม่เต็มใจนักเพราะมีอคติต่อพระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสมงพันวัดป่ามาม่วงมองหน้าบุรุษผู้อ่อนวัยกว่าท่านราวสิบปีไร้คาถามหานิยมของสมเด็จโตเมตตาคุณนางอารหังเมตตาสามจบอย่างรวดเร็วแล้วคุยต่อนายสารธได้สัมผัสพลังเมตตาจากท่าน ก็คลายความเกลียดพระลงครึ่งหนึ่งนั่งฟังท่านสนทนากับภรรยาและญาติมิตรด้วยความสนใจกระทั่งได้เวลาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์ครั้นพระภิกษุสงฆ์จากวัดป่ามะม่วงเจริญพระพุทธมนตร์จบลงซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีญาติโยมก็ช่วยกันถวายพัตหารนายสารโรธกุลีกุจจรเข้ามาช่วยประเคน เพราะรู้สึกเ อ, อิบอิ่มใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกเป็นเช่นนี้มาก่อนยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้นำเงินส่วนตัวมาใส่ซองถวายพระภิกษุสงฆ์ก้ารูปแยกต่างหากจากภรรยาที่จัดเตรียมไว้และยังใส่ซองถวายท่านพระครูเป็นพิเศษอีก 5,000 ันบาทเพื่อเป็นค่าอาหารของผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะม่วงก่อนลาเจ้าภาพกลับ ท่านพระครูมองไปยังภาพถ่ายของโยมมันซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็พูดในใจว่าโยมมันอาตมาตอบแทนบุญคุณโยมด้วยการทําให้ลูกเขยของโยมหายเกลียดพระลูกเขยของโยมเขาเป็นคนดีรักลูกรักเมียและขยันทำมาหากินอีกหน่อยโยมสุนีจะ ก, กลายเป็นเศรษฐีเพราะมีสามีขยัน ลูกเขยโยมคนนี้เขาขยันมากขยันไม่มีใครเทียบเทียมได้ในอนาคตก็จะทำงานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อครับผมขออะไรหลวงพ่อสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับนายสารด ถ, ถามขณะที่มาส่งท่านพระครูที่รถโยมจะขออะไรถ้าให้ได้อัตมาก็ไม่ขัดข้องหลวงพ่อให้ได้แน่นอนครับ เวนใช่แต่ว่าไม่ให้ต้องให้สิถ้าให้ได้อัตมาก็จะไม่ให้ได้อย่างไรโยมจะขออะไรล่ะท่านถามอีกคือผมจะขอว่าให้หลวงพ่อมางานทำบุญวันเกิดของคุณสุนีทุกปีได้ไหมครับผมตั้งใจว่าจะจัดงานทำบุญวันเกิดให้เขาทุกปี ถ้าอาตมาไม่อาภายเจ็บป่วยหรือว่าติดธุระอะไรก็จะมาเว้นแต่มีสาเหตุขัดข้องมาไม่ได้จริงๆท่านพระครูรับปากเพราะเห็นว่าพอจะสงเคราะห์ได้อย่างน้อยก็เท่ากับได้มาอุทิศส่วนกุศลให้กับโยมมันหมอจีนที่ช่วยชีวิตท่านไว้เมื่อสิบสี่ปีที่แล้วขอบคุณครับหลวงพ่อที่รับปาก เขาประนมมือไหว้ไม่รบกวนหลวงพ่อมากไปหน่อยรืเฮียโยมสุนีพูดอย่างเกรงใจเพราะรู้ว่าท่านมีภาระกิจที่จะต้องทําอีกมากมายไม่เป็นไรน า, นานนานทีปีหนจะรบกวนท่านสักครั้งเฮียจะได้มีโอกาสทําบุญทุกปีไงล่ะเขาบอกภรรยางั้นก็ตามใจเหียแล้วกันหนูต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตา และหนูจะไปเข้ากรรมฐานค่ะเจ้าของวันเกิดให้สัญญาฉันจะพยายามไปกับคุณสุนีเข้าจะหลวงพ่อเจ้ใหญ่พูดบ้างแล้วโยมสาโลดละ่ะไม่ไปกับโยมสุนีนะคงไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อถ้าไปพร้อมกันทั้งสองคนเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลร้านให้สุนีเข้าไปก่อนก็แล้วกัน ุรุดวเดียวกับภรยาพูดบายเบียงแท้จริงเขาห่วงงานไม่อยากที่งานไปแม้แต่วันเดียวหลวงพ่อคะภรยาทำบุญแล้วสามีจะได้บุญด้วยหรือเปล่าคะโยมสุนิถามว่ากันตามหลักการแล้วไม่ได้เพราะทำกรรมแทนกันไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าโยมใส่น้ำหอม แต่โยมสาโรธไม่ได้ใส่แล้วยมคิดว่าโยมสาโรธจะหอมเหมือนกับที่โยมหรือเปล่าจะหอมได้ยังไงล่ะคะหลวงพอ่อคนไหนใส่คนนั้นก็หอมใครไม่ได้ใส่คนนั้นก็ไม่หอมหนูพูดอย่างนี้ถูกไหมคะนั่นแหละการทาบุญก็เหมือนกันใครทำใครได้จริงอยู่บางครั้งเราก็ทำบุญอุทิศให้กันได้ แต่ก็เหมือนกับเราไปอาศัยข้าวเข้ากินจะกินของเขาทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้ต้องหาของเรากินเองจึงจะถูกเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังพึ่งบุญจากคนอื่นเขาต้องสร้างบุญของเราเองด้วยนยโยมนะท่านหันมาพูดกับโยมสาโรธ หลวงพ่อครับต่อไปนี้ผมจะสร้างบุญกับหลวงพ่อทุกปีด้วยการนิมนต์หลวงพ่อมาทำบุญวันเกิดของคุณสุนีแต่ว่าจะให้ไปเข้ากรรมฐานผมคงไปไม่ได้เพราะทิ้งงานไม่ได้จริงๆคนรักงานเท่าชีวิตกราบเรียนตามตรงข้อนั้นอาตมารู้โยมสุนีจำคำของอาตมาไว้นะว่า พวกบ้านของโยมจะทำงานไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตโดยไม่ยอมหยุดพักผ่อนไม่ดีหรอครับหลวงพ่อคนที่ทำงานจนวันสุดท้ายของชีวิตหรือพูดตรงๆก็คือทำงานจนวันตายผมว่าดีนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินให้โรงพยาบาลบุรุษวัยใกล้4ี่สิบออกความเห็น หลวงพ่อฟังเหียเขาพูดนะเขาเป็นคนยอดงกเลยเพราะนอกจากจะงกงานแล้วก็ยังงกเงินอีกด้วยจะไม่ยอมเสียเงินให้โรงพยาบาลเลยหลวงพ่อเคยเห็นคนงกอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าคะผมยึดคำขวัญของจอมพลสฤษดิ์ครับงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเราอยากมีความสุขก็ต้องมีเงินเยอะๆ จะมีเงินเยอะๆได้ก็ต้องทำงานเยอะๆชีวิตผมจึงแต่งกับงานกับเงินนายสาโรธเสนอปรัชญาชีวิตของตนท่านพระครูจึงประนีประนอมด้วยการพูดกับโยมสุนีว่าเอาละโยมต้องเชื่อโยมสาโรธเพราะเขาเป็นผู้นำต้องยึดคำขวัญของจอมพลปอเชื่อผู้นำชาติจเจริญอาตมาขอทำนายว่า โยมสาโรธจะเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานอันเป็นความเจริญทางโลกส่วนโยมจะเจริญทางโลกและทางธรรมในทางโลกสามีเราช่วยได้แต่ในทางธรรมเราต้องสร้างเองทำเองและพูดกับนายสาโรธว่าถ้าโยมอยากเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็ต้องไปเข้ากรรมาฐานที่วัดป่ามะม่วงยินดีต้อนรับ จะไปเมื่อไรกอเชิญผมขอจเจริญทางโลกอย่างเดียวก็พอครับให้สุนี็จะเจริญทั้งสองอย่างก็แล้วกันคนรักเมียเท่ากับรักงานกราบเรียนจะเอาอย่างนั้นก็ได้เอาละอาตมาเห็นจะต้องลาจากนั้นท่านจึงไปขึ้นรถนั่งคู่กับในสมชายทางด้านหลังส่วนพระภิกษุอีกแปดรูปนั่งด้านหน้า คืนนั้นเมื่อท่านพระครูมายังหอประชุมเจริญชัยเพื่อสอบอารมณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมครูใหญ่คนที่ถามหากุติในห้างทองหยดเมื่อคืนวาน<ๆ>ก็ได้เข้ามารายงานด้วยหน้าตาเคร่งเครียดว่าหลวงพ่อครับผมเห็นภาพของนายทองหยดอยู่ที่เมนเขาตายไปหลายปีแล้วนี่ครับแล้วทำไมถึงมาเสิร์ฟน้ำชากาแฟพวกผมได้ พวกผมกลัวกันมากเลยครับครูใหญ่กลัวอะไรล่ะกลัวผีในทงหยดครับครูใหญ่อีกคนตอบอีกคนหนึ่งจึงเสริมว่าผมเพิ่งประจักษ์ดี๋นี้เองว่าผีวัดป่ามะม่วงดุเลือเกินขนาดพวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลก็ยังมาหลอกมาหลอนผมได้ยินมาว่าผีจะกลัวพระแต่ไม่กล้าเข้าวัด แต่ผีในทองหยดมาหลอกถึงในวัดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะในห้างทองหยดไม่ได้เป็นผีน่ะสิถ้าเป็นผีจะมาเสิร์ฟน้ำชากาแฟได้หรือแถมยังสวมชุดขาวเหมือนพวกโยมอีกด้วยใช่ไหมละ่ะท่านพูดเพราะรู้ที่รู้เพราะเห็นก็คนตายไปแล้วถ้าไม่เรียกว่าผีแล้วจะเรียกอะไรล่ะครับ ครูใหญ่คนที่นั่งหลังสุดถามขึ้นเรียกเทพสิอาตมากําลังจะบอกว่าในห้างทองหยดไปเกิดเป็นเทพถ้าเป็นผีก็ต้องตาโบแลบลิ้นปริ่นตาหลอกพวกโยมใช่ไหมแล้วพวกโยมก็ต้องเป็นไข่หัวกลรนไปตามๆกันอยากเป็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่อยากครับทุกคนตอบพร้อมเปรียงกันเทพคือเทวดาใช่ไหมครับหลวงพ่อ เรานี้คนถามเป็นบาดหลวงจากจังหวัดราชบุรีมีนามว่าศักชัยถูกแล้วเทพก็คือเทวดาซึ่งมีหกชั้นด้วยกันถ้าเหนือชั้นเทพขึ้นไปก็เป็นชั้นพรมซึ่งมียี่สิบชั้นเป็นชั้นของรูปภพมสิบหกอรูปภพสีส่วนพวกเทพรุเท ว, วดาเป็นชั้นกามาวาจร คื อ, อยังเวียนว่าอยู่ในกามมีความปรารถนากรรมคุณห้าได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสส่วนชั้นพรมเป็นชั้นที่ละกรรมคุณห้าได้แล้วผู้ที่ยังต้องเวียนตายเกิดอยู่ก็ต้องอยู่ในภูมิใดภูมินึงในสาอดภูมิซึ่งจะเรียกว่าวัตจักชีวิตก็ได้ท่านพระครูอธิบายไม่ใช่26ภูมิเหรอครับ พระเทพมีหชั้นคือพรมยี่สิบชั้นรวมกันน่าจะเป็น26บาทหลวงศักชัยแยง้งท่านพระครูจึงอถาธิบายว่าอีกห้ารูปที่อัตมาไม่ได้กล่าวถึงก็คือมนุษย์เดรัจฉานอสุรกายเปรตและนรก มนุษย์จัดเป็นสุขติภูมิเช่นเดียวกับเทพและพรหมสุขติภูมิก็มีทั้งหมด27ส่วนอีก4ภูมิที่เหลือจัดเป็นทุกติภูมิาศาสนาพูดสอนไม่เหมือนาศาสนาคริสเลยนะครับผมสงสัยจังเลยว่าทำไมแต่ละาศาสนาจึงสอนไม่เหมือนกันเก็บความสงสัยไว้ก่อนขอให้ตั้งใจปฏิบัติ แล้วความสงสัยจะหายไปเองเมื่อไรเข้าถึงสัจธรรมเมื่อนั้นก็จะหายสงสัยการเข้าถึงสัจธรรมเข้าได้โดยการปฏิบัติเอาละโยมจะพบคำตอบได้ตัวเองท่านรู้ว่าบาทหลวงผู้นี้บาเพ็ญบารมีมาม า, มากพอที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้แล้วก็จะได้ที่วัดป่ามะม่วงแห่งนี้ ส่วนครูใหญ่ทั้งหลายนั้นยังไม่มีผู้ใดมีบารมีแก่กล้าพอจะต้องรอให้ถึงเวลาซิก่อนหลวงพ่อครับเทพก็มาปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นได้หรือครับที่หลวงพ่อบอกว่าในทองหยดเป็นเทพทําไมเขาไม่อยู่บนสวรรค์ทําไมมาวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ครูใหญ่คนนึงถามขึ้นเพราะเขาต้องการสร้างบารมีให้แก่กล้า ย, ยิ่งขึ้น ปกติพวกเทพจะไม่ยอมยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ในคำพีกล่าวไว้ว่ากลิ่นตัวมนุษย์นั้นย่อมปรากฏแก่พวกเทพเหมือนซากศพในห้างทองหยดก็อยากจะได้บุญมากจึงทนเหม็นกลิ่นตัวของโยมมาช่วยเสิร์ฟน้ำชากาแฟอาจจะหอมกลิ่นสีลของพวกผมก็ได้นะครับหลวงพ่อเรียกในทองหยดว่าในห้างเขาเป็นในห้างขายยาเหรอครับ ผู้ใหญ่คนที่เป็นหัวหน้าถามไม่ได้เป็นในห้างขายยาเขามีกิจการหลายอย่างมีโรงน้ำแข็งโรงสีข้าวโรงเลื่อยใครๆเรียกเขาว่าในห้างอาตมาก็เรียกตามเขาในห้างเขามีอุปการะคุณต่อวัดป่ามะม่วงมากตอนโบดหลังเก่าพังเขาก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงมาสร้างหลังใหม่ให้ ท่านพระครูพูดถึงความดีของในห้างผู้ล่วงลับศาลาสวดพระอภิธรรมเขาก็เป็นคนสร้างให้ใช่ไหมครับคุณนายพานพบภรรยาของในห้างสร้างเป็นอนุสรณ์ให้สามีตอนสร้างยังมาปรึกษาอาตมาว่าจะเอาชื่อใครขึ้นก่อนอาตมาก็บอกให้เขาว่าไปคิดเอาเองในที่สุดเขาก็เอาชื่อสามีขึ้นก่อน ท่านไม่ได้เล่าเรื่องสาเหตุที่ทำให้คุนายผ่านพบต้องการเอาชื่อตัวเองนำหน้าชื่อสามีเอาละใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ถามได้ประเดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนใครยังไม่ง่วงก็ให้เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนอนหรือว่าจะเดินสองนั่งสองก็ได้บรรดาครูใหญ่พากันโวยวายว่า หลวงพ่อครับแค่นั่งชั่วโมงเดียวก็แทบไม่ไหวถ้าให้นั่งสองชั่วโมงพวกผมต้องเข้าเมนตามในห้างไปแน่เลยไม่ดีหรือจะได้มาช่วยกันเสิร์ฟน้ำชากาแฟผู้เข่ากรรมฐานในห้างจะได้มีผู้ช่วยท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มพวกผมยังไม่อยากสร้างบารมียิ่งใหญ่ขนาดนั้นครับหลวงพ่อ ขอรับใช้ชาติไปก่อนพวกผมยังไม่อยากสร้างบา ร, รมียิ่งใหญ่ขนาดครับหลวงพ่อพ้นการสอบอารมณ์ปรากฏว่าบรรดาครูใหญ่ทั้งหลายไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอาจเป็นเพราะยังต้องเวียน่หวอยู่ในวัฏจักรชีวิตต่อไปอีกนานเมื่อสำรวจตรวจดูภาวะจิตของแต่ละคนแล้วพบว่าส่วนใหญ่พากันห่วงงานห่วงตาแหน่งห่วงบุตรภรรยา และทรัพย์สมบัติจิตใจก็ยังไม่ปลอดโปรงไม่ปล่อยวางสิ่งไม่อาจเข้าใกล้อมะตตธรรมได้ตรงข้ามกับบาทหลวงซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่จะมีความตั้งใจในการปฏิบัติรู้จักปล่อยวางภาระที่ไว้ชั่วคราวยิ่งไปกว่านั้นการประพฤติตนเป็นนักพรตก็ช่วยเอื้ออำนวย ให้การปฏิบัติคล่องตัวและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วดังนั้นท่านจะคุณสอบอารมณ์ให้เขาเสร็จสิ้นลงจึงบอกเขาว่าบาทหลวงปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากเอาละกลับที่พักอาบน้าอาบท่าแล้วจะได้เดินจงกรมสองชั่วโมงนั่งอีกสองชั่วโมงแล้วค่อยนอนทำได้หรือเปล่าได้ครับบาทหลวงศักชัย รับคำหนักแน่นบรรดาครูใหญ่เมื่อได้ยินท่านพระครูสั่งบาดหลวงต่างพากันสงสารคิดว่าจะอววาดวัดป่ามาม่วงเจตนาจะแกล้งคนต่างาศาสนาความที่เป็นชาวพุทธแต่ในานามทำให้พวกเขาคิดเช่นนั้น